สาธยายมาพูดออกจากปากของเราคิดใส่ใจตามเกิดความเห็นด้วยเว่าสัมมาทิฏฐิเห็นตามไม่มีตรงไหนแจ้งได้อย่างที่เราสาธยายไปแล้วก็มาฟังธรมความเห็นมารับรู้รับเห็นด้วยกันอย่ามอ่วไพแต่มีอยู่ในตํำรับตําลาเป็นคําสอนของพระเจ้า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 คือความรู้สึกความเลึกได้สติเดี๋ยวนี้อยู่กับเราเดี๋ยวนี้ก็คืออยู่กับพระพุทธเจ้าพอดีเดียวกันอยู่ใกล้กับดิดเดียวผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าคือผู้นั้นเห็นธรรมต้องมีอย่างนี้ไอ้ใจใจไปลาบไปไหวพระพุทธเจ้าสมัยโน้น หรือทุกวันนี้ก็ไปกลับไปไว้อะไรต่างๆสังเวชนิสถานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มาไหว้องนั่นเป็นพระอริยะมงไหงว้อง์นี่เป็นสุปฏิปโนไม่ใช่เลยมันเป็นเรื่องของเราทุกขิวิตที่เราสวดว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมคือผู้นั้นเห็นปฏิจจสุ ป, ปบาท ป่าดิจจสบบาคือนน่งเนยกันที่มันเกิดอยู่ในเราเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีนี่คือของจริงคือธรรมมาอยู่ที่กายที่ใจของเราเมื่อเราเป็นสติมาดูมัก็ฉายให้เราอยู่เมื่อับลูกการแสดงของเราให้มันเห็นชัดเจน กายไม่ก็เราก็เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายกายของเรานี่กับกายพระพุทธเจ้าก็คื อ, อนเดียวกันจะเป็นใครที่ไหนอยู่โลกไหนไหนก็คือกายโลกคือมูสัตว์คำชะลาจะเท่ายัางเข้ามายั่งยืนเหมือนกันทุกชีวิตเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าโอ้กายมาเป็นสิ่งละกุมทั่วมาเป็นสิ่งทำกุศลมาเป็นสิ่งมารู้ธ ร, ร แต่มนุษย์สับประจักษ์ทั้งหลายเอากายมาเป็นสุขเป็นทุกข์มาทําชั่วมาทำถ้าให้เกิดปัญหาแก่ตัวอเองแล้คนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นก็นจะต่างกันนะจึงมาเห็นว่ากายสว่ากายเห็นข้อยตามพระพุทธเจ้าดูว่าจะจัดบุคคลตัวตนเราเขามันเป็นกายซื่อๆมันรอดกับมันรอดซื่อๆของเขามันปวดก็มันปวดซื่อๆ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 แม้แต่ความคิดเฉยๆก็ามาเป็นสุขเป็นทุกข์ร้อยชีวิตที่เป็นสุขเป็นทุกข์พวกความคิดเป็นบรญญัติเป็นสมมติขึ้นมาในความสุขความทุกข์ก็ ม, มีอะไรที่เป็นควรการหลายอย่างความชอบอุปทานความหลงนิสัยอุปาณิสัยเจริญ ต, ต่างๆเข้าไปร่วมปลายเป็นพบกเป็นชาติไปบรญญัตินขนาดนั้นก็ยังพากันเดินไปกับ ลักษณะเช่นด้านใจชีวิตเราลุกลุงหลังถ้ามันรู er ้ yeah. ซื่อๆจากวัคกายไม่เชื่อจัดบุคคลตัวตนเราเขามันก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรหลวงพ่อเทียนเปรียบเทียบมันกับติงกัดเ่าเรามือไปดึงออกมันไม่ออกดึงปากหนึ่งมันติดติดอีกปากหนึ่งดึงปากหนึ่งมันก็ติดอีกปากหนึ่งแต่เมื่ก่อนเนี่ยคาว่าปลีกเนี่ยอยู่ในน้า ถ้าใครลองล่าก็าเจอเห็นทีทำนาก็มีปลิ่งปลิ่กัดเวลาลำนาลุยน้าแต่ทุกวันนี้ไม่มีปลี่งเพราะรํา ม, มกโซนเพราะหุ๋ยเคมีสารพิษต่างๆหมดไปอีกแค่น่อยชีวิตเราก็หมดไปเพราะคนเราใ้ามันยุ่งยุ่ง ย, ยากๆหลายอย่างถูกหลอกหลอยหลายอย่างทตาก็หลอกทางหงก็หลอก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 อะไรที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์ออกจากกายจากใจเราเราไม่ต้องทำอะไรไม่เหมือนกับการดึงตีเก่าจากกายไม่เหมือนไปสู้กับทุกข์ว่าอยากได้สุขมันยากเพียงแต่เห็นซื่อเข้าไปเลยมันก็มียาดีแหละยาหม้อใหญ่อยู่ในเราเองเราไม่ค่อยใช่กันไปใช้อุปทานบางไปความเห็นบ้างไปเป็นนิสัยบางจะหลุดนิดสัยต่างๆ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 มากในโลกเนี่ยจะเจงมารับรู้รับเห็นให้ตัวเหล่านี้มันได้คําตอบไอเอากายเอาใจมาเป็นเครื่องหลุดทนจะเอากายเอาใจมาเป็นเครื่องอุปทาน ย, ยึดยึดจนใจขาดลองไห้เสียใจเขาบอกพระเจ้าบอกเราว่ามันก็เป็นชนะความชราใหญ่ท่าอดนําเข้ามายั่งยืนไม่มีใครป้องกันได้ไม่เป็นใหญ่เพราะตนมันก็ไหลไปของมัน นั่งอยู่นี่มันไหลไปไหลไปไม่ยังง่งยนืนไม่อยู่คงที่เรี่กว่ากายหรือว่าใจรักหรือว่าวัตตะมีเยอะแยะเลยที่เป็นคาสอนที่เป็นการแสดงหลายตัวเรามีมากเกินเรามามีสติอันเดียวเห็นหมดทุกอย่างเห็นอะไรที่มันแจง้งออกรู้แล้วรู้ซื่อ อย่าไปทําให้มันไม่ถูกต้องการเจริญจิเนี่ยของง่ายไมนเป็นของยากมันของเบาเป็นของหนักเช่นไปสู้กับความคิดไม่อยากให้มันคิดแล้วก็ยังคิดอยู่ทำมันยังคิดมันก็ยากไปแป๊บปคิดซื่อแล้วมันไปบัญญัติสมมุติเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นชอบไม่ชอบโย่แช่ไปเลยเป็นตัวเป็นตนเป็นพพเป็นชาติเขาแสดงออกอันใดก็มีร่วมไปกับเขามีค่าไปกับเขา ไม่ใช่เวลานี้ที่มันจะแงต่อหน้าต่อตามันก็แสดงมาแล้วเป็นสี่สิบห้าสปีก็ไม่มันอะไรมันติดกันเพื่อนมาในกายในใจเรามันก็แสดงออกไม่ใช่เป็นเฉพาะหน้ามันมีมาเราจึงมาลู่มันจ้าถ้าลู่นี้มันก็ชิ้นเวรชิ้นกรรมไปเปลี่ยนจิตนิสัยได้หรอว่าขอนิสัยได้นิสัยจากพูติเจ้าได้นิสัยจากตัวลู่ชื่อ ว่าที่รู้ซื่อๆตัเน่ยมาช่วยกันรู้เห็นดันนี่มาช่วยกันอย่าให้เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งอย่าไปว่าห้พระพุทธเจ้าว่าไปหลวงพ่อหลวงตา อ, อ, อาจารย์พระสงฆ์ อ, องค์เจ้าที่อื่นเลยเป็นเรื่องของเราแท้ๆสิ่งที่เราสาธยายสิ่งเราสวดอันคำสอนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราแม้แต่การตัดจะรู้ นี่จะใกล้ถึงมาถึงแล้ววันวิสาขบูชาแม้ก็เป็นเรื่องของเราไม่ใช่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าการตัดจะรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของเราแท้ๆไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวเป็นเรื่องของส่วนรวมทุกคนทุกชีวิตแล้วก็ไม่ต่อไปเข้าได้ผ่านในร่วมหาวิไลที่ใดมาอยู่กับตัวเราเนี่ยมารู้มาศึกษาพวกเราที่นี่จะเป็นเพื่อนเป็นมิตรได้จริงๆนะ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 ความหลงก็ซื่อๆความรู้ก็ซื่อๆนีไ่ไปมันจะง่ายๆไปอย่างนี้การปฏิบัติธรรมเอาให้ใครแสดงให้เราดกนอกจากเราเองการบรรลุธรรมก็เป็นมรรลุธรรมเรื่องนี้ไม่ใช่ใครให้เราบรรลุธรรมคือพ้นไปจากเพราะว่าที่มันเคยเป็ น, นเคยมีมันไม่มีค่าสำหรับความทุกข์ก็ไม่ค่าความสุขไม่มีค่ า, ค ม, กก ม, ม, คามันพ้นไปจากความสุขความทุกข์มันก็ไม่มีค่าเลยแต่ก่อนนี่มันมีค่า วันหอบพีวเราไปหาความสุขวันหอบพี่เราไปหนีทุกขหาความสุขความทุกข์ตามไปหาความทุกข์ความสุขก็มีวางทีเอ็นทุกข์ใจหาทางออกโดลทตามตายจินยาตายมันไม่ใช่ในความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ในความเก็บก็มีความไม่เก็บในความแต่ก็มีความไม่แต่ในความตายก็มีความไม่ตายไม่ต้องไปหนีมันอย่างนี้มันยากไป จะต้องให้ใครมาช่วยเราเรื่องที่เราไปคนเดียวไม่มีบุคคลที่สองวั น, นก็แววจบคนแจกหมู่ญาติพี่น้องลูกหลานร้งองโหม่ร้องไห้เสียใจเป็นทุกข์พัดพาจากของลักของยับยั้ใจเป็นทุกข์ปถาถนาจะชินใดไม่ได้สินนั่นเป็นทุกข์ความไม่สบายกายก็มไม่สบายใจเป็นทุกข์มาเอามาเป็นทุกข์เราร้องไห้เราเสียใจมันได้อะไ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 สามีของหนูเป็นคนดีมีแต่ความดีของเขาอยู่ในหัวใจของหนูวางไม่ได้หรอกเพราะสามีของหนูเป็นคนดีมากรักลูกรักเมียประกอบการ น, นาชีพพระราชการเป็นหมอเธอเป็นพยาบาลเรื่ก็พูดได้ฟังพอเข้าใจพอพีความเห็นได้หน้าตาก็ไม่เศร้าหวงยี่มได้เป็นบางโอกาส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 ชีวิตไปห้อยไปแขนไว้กับสิ่งอื่นถ้าสิ่งอื่นที่มันทำให้เราเลยเป็นของเราเอาอันอื่นมายึดทองมันก็เป็นทุกข์แล้วอย่าเอาชีวิตไปห้อยไปแขนไว้กับสิ่งอื่นบางทีเอาไปแขนไว้กับอันใดที่มันผุพังอันใดที่มันฉักง่ายๆบางอย่างที่เราไปแขนไว้มันไม่ใช่เรา ม, น ม, นมนคนอื่นอันอื่นไปมันก็พลาดได้แล้วก็หอกเก็บปวด ชีวิตเราต้องเป็นตัวของเราเองไม่ใช่ไปห้อยไปเขียนไว้ในโลกนี้ชีวิตของคนนะ่ยเป็นทุกขเพราะเรื่องนี้กันเยอะเพราะเอาไปค้อยไปเขียนไว้แต่ความผิดความพลาดของตัวเองก็มีมากมายแล้วไปอาเสียคนอื่นให้เหมือนเราไปเกณฑ์เขาให้เหมือนเรามันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นทุกข์เพรพอที่จะเข้าใจปากันยิ่มแย่มยมแจ่ ม, มใสไปด้วยกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไปถึงตัวนั้นแล้ว มันแั้ก็ไม่มีทางออกมันก็จนจ้าเราจึงหาทางในพบตั้งแต่เดี๋ยวนี้อย่ารอให้ถึงวันนั้นวันเกิดเจ็เจ็บตายจเจียงจะไปแก้ไขมันแก้ไม่ได้มันก็มืดแปดด้านมาเหยียบทางไว้มาเดินเอาไว้ให้มันลอยบ้างลอยสู่ความหลุดพ้นคือความรู้ซื่อชื่อเอาไว้เห็นอะไรก็เอาซื้อชื่อเนี่ยไว้ ให้เป็นลอยสักหน่อยเดินมันไม่มีลอยเลยเหมืนอนกับ้าเงเดินยงกรมมีแต่ใบตองมีแต่ขยะเมือเราเดินไปเดินมาก็กลายเป็นลอยได้ขยะในหัวใจเราสิง่งลุงพลังเพราะลุงพลังในหัวใจเราในกายเราติดเหล้าติดบุรีมันก็เห็นแต่ลอยอันนี้ไม่มีลอยเลยนั่นสงสร้างแจ้งวะ่ะมันก็บุรีออกฉายมาเป็นลอยแห่งบุรี เล่าก็ใายออกมาวางทีไปสอนคนเลิกสุโขทัมันก็ใช่ไม่ได้แล้วชีวิตหลงตาเนี่ยนั่งร้างจเจว่ะไปสอนเขาเป็นเพื่อนกันนะนั่งสร้างเจะวะก็นั่งอยู่ร้างเจวะไปสร้างจเจะวะห ว, า, วามือคั่วไปขั่วเบอเป่าวันเดียวหันหน้าไปทางมือที่มันคั่วไปก็เลยว่ า, า, ร, วารู้สึกไหมที่มือมันอบไปอย่างนั้น ไม่รูมันทำอะไรไปนั่นนึกว่าจะไปคั่าเอาหอบุหรี่มาสูบว่ามันหิวก็แสดงไปต่างกามือคั่วไปหาบุหรี่มันเคยติดนิสัยมาว่ามันหิวก็เอาอบุหรี่มาสูบไม่มีก็หาทำงานอยู่ก็ต้องหนีจากงานไปหาบางทีไปจูก่กู้เงินมายังได้ยินเคยได้ยินเลยขึ้นรถไปอะยืมเงินเพื่อนอ่ะยืมเงินสักสิบบาทนะเดี๋ยวไปถึงบ้านก็ได้ พอได้เงินมาจีบบาทไปชื่อบุดีเลยบาทออกบาทที่จ่ายครั้งแรกซื้อบุดีเลยเนี่มันไปเหรอนะมันก็ลอยมันไปลอยแห่งความรักลอยแห่งความชังลอยแห่งความชอบลอยแห่งความไม่ชอบมันใช่เราเรารับใชม่มันก็เลยติดไปเราจึงขับไาเวลามันคิดไปหลงไปขับมาลูกมันทันทีเอาเวลาคนเลือ่อนเลย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 ตัหลงก็ได้หลงตัวรู้ก็ได้รู้สอนทิติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาปฏิบัติได้ด้วยตนเองอากาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาให้ผลได้ไม่จํากัดการเลยตอนเช้าตอนเย็นตอนไดนก็ได้ถ้ามันหลงก็รู้ทันทีมันทุกข์ก็รู้ทันทีมันสุข ก, ก็รู้ทันทีรูซซ้ซื่อเข้าไปเอฮิปาจิโกเอาชวนมาดูมา ด, มาดูมาดูเรื่องนี้ลองดู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 เคนไว้ก็รู้ได้ไม่เคลื่อนไหวก็รู้ได้นะนั่งอยู่เฉยก็รู้ได้ไม่ใช่ชอบไม่ชอบตามรูปแบบเอาความรู้ชื่อๆเข้าไปทุกรูปแบบเลยนี่คือนอมมาปัจจัตังเวเป็นสิ่งที่ได้ด้วยตนเองเฉพาะตนเดี๋ยวนี้ปัจจัตังคือเดี๋ยวนี้ไม่ใช่บุคเนี่ใช่ชั่วโมงหนะ้าไม่ใช่วินาทีหนะ้าเป็นวิาทีนี้ทันทียกมือขึ้นก็รู้ทันที อะไรทีมันเคลืนไว้จากการจะแก่รู้ทันดีปัดจัดตังเห็นต่อหน้าต่อตารู้ต่อหน้าต่อตาให้ความซื้นมันต่อหน้าต่อตาไม่ค่ามันเลยมันจะเก่งนึงกับว่าเอ้าก้อนเนื้อในตะบอ่อนปวดท้องอย่างนักก็รูดมันก็รูดชื้มมันไม่มีตัวเป็นตนเป็นผู้ปวดมันซื่้มมานานแล้วสี่สิบกว่าปีมันซื่้มมานานแล้วมันมีค่าอะไรไหมปวดท้องก้อนเนื้อตะบอนหมอชาย เล็กเชลี่มกเกียนอะ่ะก็เนื้อตบอลแล้วหมอที่สำเร็จการผ่าตัดที่จุฬามายืนเข้าแถวแน่หลวงพ่อผมเป็นแพทย์ผ่าตัดจบรุ่นเดียวกันพวกผมเตรียมพร้อมก็จะต้องผ่าตัดเอาฟิล์มเล็กเลว่าให้ดูเป็นก้อนเนื้อเขาชีอ้บอกอยู่เลยตับอลอขอก็รู้ชื่อๆนะไปสุขไปทุกข์เหรือตรวจไม่มีโรคดีใจตัวตรวจมีโรคเสียใจ อังทีพอหมอบอกก็เสียใจแล้ะหมอก็เลยมียาของแพทยไม่ต้องบอกก็เลยไม่ซื่อๆเสะีะเพราะถ้าผู้บอกผู้ถูกบอกก็ไม่มีตัวซื่อๆมันก็เป็นทุกขเป็นทุกข์กลัวๆก็กลัวมันก็ลงโทษตัวเราไปแต่เรามาลู่ซื่อๆ อ, อ้าจะเป็นไงก็รู้แล้วว่าโลกคือบูชาต์เนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นเกิดเจ็บจะตายไม่ใช่เรา มันเกิดเฉยๆมันแก่เฉยๆมันเจ็บเฉยๆมันตายเฉยๆมันก็เป็นสัจธรรมของชีวิตของสัมปัสัตว์เราไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเรื่องนี้เราโมลาู่ซื่อเข้าไปไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์เมื่อจสแดงถึงความเจ็บไม่ให้เราร่วมมันถ้าเราให้ค่ามันมากก็เป็นข่ามากเจ็บก็ตัวเราเจ็บแก่ก็ตัวเราแก่ตายก็คือเราตายไอวานก็ร้องไห้เสียใจ คนอ่านประวัติก็ใส่อารมณ์เข้าไปคนฟังลูกเต่าร้านก็ค่อยตามเสี ย, ยใหญ่ร้องไห้กันหลายอย่างที่สร้างให้เกิดความร่มน้อมไปหลงผิดอู้มันก็มีกําลังใจขึ้นมาเออพ่อเราตายแม่เราตายเรายัางอยู่โดยต้องดำรงงศ์ตระกูลเรายัางไม่ตายชีวิตของเรามาจากพ่อจากแม่ต้องมีกําลังเข้มแข็งบุกท่าเลยไปทำความดีเลยไปละความชั่วเลยไป เ, เลยบอกว่าเออชีวิตของเรานี่เออเร า, ามีพระสงฆ์องค์เจ้าที่น้องญาติโยมมาจากทุกทิศมาส่งถึงเชิงตะกอนพอจุดไฟเผาเขาก็กลับไปเหลือแต่อะไรจะพาไปคือบุญกับบาปถ้าคนทํามีบุญควารู้ซะื่อบุญพาไปเป็นสุคติถ้ามีบาปไม่ซื่อชื่อก็บาปพาไปเป็นทุคติเป็นของส่วนตัวแล้วบวะเนี่ยสองคนพาไปคือ ความไปรู้ซื่อๆความเป็นพบพบผด็จฉาก็พาไปไม่ใช่อย่างไม่ตายก็ไปแล้วนั่งอยู่นี่ก็ไปแล้วไปอะไรไปสุขไปทุกข์ไปชอบไปไม่ชอบหลายพบหลายชาติเหลืเกินเกิดดับเกิดดับในกายในใจเราเนี่ยเราจะมาให้มันชินพบชินชาติซะกลัวไหมชินพบชินชาติคือชินยังไงคือไม่มีค่าเป็นชีวิตล้วนล้วน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 ให้คนได้รู้ว่าลูกมันมีปัญหาอะไรความร้อนเพิ่มขึ้นเพราะเหะะตุใดว่าฝนในธรรมชาติแหงแ้งแล้งหรือท่วมไปเพราะเหตุใดพวกศิลปินเด้ก็มาสํารวจสิ่งที่มันพาให้เกิดความร้อ น, ค ว, อนความแหงแ้งแล้งมันเกิดจากอะไรไม่ใช่การพูดกันไม่เขียนเป็นภาพเดี๋ยวนี้ที่นี่ก็ก็ทำํำกิจกรรมเรื่นี้เราไม่เคยตัดต้นไม้จากต้นเราก็ลําบากเราไม่เคยเป็นงอนชั่ว เราก็ลาบากก็เดินชั่วมากแต่เราไม่ทำชั่วคนเดียวมันไม่เพียงพอจึงมาช่วยกันพระพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบด้วยพงเองแล้วสอนเขาเดือดรู้ตามถ้าไม่สอนก็เป็นปจเจ ก, กพุทธศูญเฝ่าไปเลยมีมากมายปัจเจ ก, กพุทธะอันนี้พระพุทธเจ้าสัมมาสมุทโธสอนเขาเดินดรู้ตามเรียกว่าสมมาสมุทะ ถ้าใครยังไม่สอนไม่บอกคนนื่นให้รู้ตามเรียกว่าพุท ธ, ธะเฉยๆมีมากท่านเราจึงอดไม่ได้ต้องมาชวนกันมาตั้งสถานที่ขึ้นมาพอมีสัพยะมีเจนาสานะสัพยะเพื่อการนี้มีอาหารสัพยะเพื่อการนี้มีบุคคลสัพยะบุคลากรในวัดเพื่อการนี้มีธรรมมาสัพยะเพื่อให้คนมารู้เรื่องนี้สัพยะสี่อย่างแน่ คิดว่าเพียงพอต่อที่นี่พอใช่ได้หลวงพ่อก็นั่งพูดอยู่นี่อาจารย์ถ้าเขาพาสอนพาทำไม่ใช่เราบอกทิ่งแบบรับผิดชอบอาจารย์เพื่อพาเราทำว่าเหมือนกับแม่ไก่กกไข่ถ้าไม่กกมันไม่ออกลูกเหมือนตีเหล็กถ้าไม่ร่อนมันตีไม่ได้ต้องเผาให้มันร้อนจึงตีได้แม่ไก่ถ้าไม่กกไข่มันก็ไม่ออกลูกมันเน่าไปกรรมฐานแม่ไก่ สามารถที่หลายลูกผู้แรอธิการต่างๆเจ้าธิการเสนาสนะเจ้าธิการอาหารเจ้าธิการขังแล้วก็มีขังมีสานักงานมีของใช้จ่ายถ้าใครมากข้ารับที่นั่นไม่ต้องแย่งใครไม่ต้องบอกใครเป็นของเราบ้านเราที่ของเราอยู่จี่วันจี่เดือนก็มาไม่มีใครยุ่งยากเพราะเราเพราะหัวใจของเราเนี่ยให้อยากให้เป็นอย่างนี้ในประเทศไทย ใครโรคก็ใช่นนี่แต่มันมีความคิดอย่างนี้ก็ยากๆจนๆอยู่เนี่ยแต่ว่าความยืดเน่ยตั้งมาแล้วสี่สิปีก็ใช่นี้เรขออยู่กันได้แล้วก็ไม่ชอบเลี่ยมยุลยยับชอบว่าไปและกาชอบธรรมดาธรรมดาอาจารย์ต้องกอมาทาสีดำๆ้็นั่งอย่างนี้ไม่ปูผมไม่วัวอะไรผรมผืนหนึ่งร้อยมื่นบาทไม่ต้องมาปูกระดานพื้นกระดานพื้นศอกดังนะั้นห้าสิบสบาท มันดีกว่าผมครับผมมันเป็นมวลภาวะมีขี้ฝุ่นเมื่อมีผมเราก็ต้องซื้อเครื่องดูดฝุ่นมาอีกมีไฟฟ้าอีกอันนี้พวกเราก็ะหอกันถูกันบางท่างก็ถูกันพวกเราก็ะถูกันกาจัด